ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนชั้นเรื่องนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตามฟังได้นะบัดนี้ อมวันเสาร์นั้นอาตมาได้ขยายความถึงเรื่องของพ่อแม่และก็สัตว์อปปปาติกะให้ฟังกันซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ยากพอสมควรนะทบทวนนิดนึงว่าพ่อแม่ที่อยู่ในหมวดทิฏฐิสิของพระพุทธเจ้านะ คือหลักปฏิบัติธรรมของพระุทธเจ้านั้นมรรคองค์8มรรคองค์8จะมีทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งทิฏฐิสังกปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิเจข้อมรรค8ปข้อกับสมาธินะทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งสังกปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติและก็สมาธิน่ะ ทิฏฐินี้เป็นประธานทิฏฐิคือความเห็นคือความเข้าใจคือความรู้ในเบื้องต้นทิฏฐินี่เป็นความรู้หรือเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นการกาหนดรู้เรียนรู้จะรู้จากทิษดีรู้จากตา ก, กะรู้จากเหตุผลรู้จากการบอกเล่าหรืออ่านมาฟังมาทำความเข้าใจให้ได้ให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วเราจึงนาไปปฏิบัต เรียวาเรีนปริยัตแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็มันจะเกิดผลปรับปรุงกายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมโดยเฉพาะมันจะปฏิบัติแล้วจะกระทั่งไปถึงผลทางจิตแก้ไขจิตวิญญาณเราขึ้นมาได้ในมังงองกแปนี่แหละปฏิบัติแล้วจะแก้ไขาทางจิตวิญญาณสั่งสมลงไปลงไปเรื่อยๆถ้าปรับตัวจิตวิญญาณได้เรียกว่าอธิจิตโดยมีอธิศีลหรือศีล ตั้งหลักเกณฑ์ให้แต่แก่ตัวเองปฏิบัติพอปฏิบัติไปตามหลักมรรคองแนี่แหละตั้งหลักขึ้นมาเราเข้าใจแล้วความเห็นของเราว่าเราจะปฏิบัติจะจะลดละเรื่องนี้หรือว่าจะจะจัดการเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในตัวเราศา ส, สนาพู้ทธเป็นศาสนาที่มุ่งจัดการสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองออกก่อนเป็นศาสนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนหาว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนามองในแง่ ทุกนิยมนะทุกแปลว่าความลำบากเป็นศาสนาที่เป็นวิ่งเข้าหาความลำบากหรือเรียนรู้แต่ความลำบากหรือความไม่ดีสิ่งที่ทําให้เกิดทุกที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าทุกอริยสัตวเราจะจัดการกับมั น, นจัดการเหตุ ก, กับมันให้มันเรียบร้อยไปหมดเลยศาสนาพุทธจึงเพ่งที่การกําจัดการละลด ไม่ใช่ศาสนาที่ไปเพ่งแต่ความดีเพ่งสุขเพ่งสวรรค์แล้วก็ทำแต่สวรรค์สวรรค์สวรสวรค์โดยลืมความทุกข์ลืมสิ่งที่ชั่วลืมสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายแล้วมันก็เกาะกลุ่มเราไปไม่รู้ตัวซับซ้อนลึกซึ้งเลี่เราไปสนใจแต่เรื่องดีสิ่งที่จะเป็นสวรรค์เป็นความสุขเป็นความระเออรศาสนามากศาสนาสอนในเรื่องความสุข ทำดีทำสุขทำดีทำสุขสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความดีงามโดยลืมความทุกข์ไปหมดลืมความชั่วร้ายศึกษาแต่พระเจ้าไม่ศึกษาซาตานเพราะฉะนั้นในศาสนาที่มีพระเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ไม่รู้จักซาตานหลงพระเจ้าอาตมาใช้คำว่าหลงหลงพระเจ้าและไม่รู้จักซาตาน ซาตานมันก็เลยเก่งซาตานมันก็เลยกินตัวไปเรื่อยไม่รู้ตัวเพราะไม่ศึกษากมันขณะศึกษากมันยังไม่ง่ายนะศึกษากมันยังไม่ง่ายเลยในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะไปถึงจิตที่เป็นตัวร้ายก็อยู่ที่จิตวิญ ญ, ญาณเป็นกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในจิตวิญ ญ, ญาณถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงแล้วมีวิธีที่จะล้างละลดค่ามันทําลายมันกําจัดมันให้สิ้นซาก ดับสนิทตายไม่ฟื้นถ้าไม่มีวิธีอย่างดีงามมันจะไม่มีทางออกไปได้ไง่ายๆเลยคุณอาจจะกรบกลรเอือนกดคมทำลืมๆทำไม่เอาใจใส่มันยังไงมันก็ทำได้ใช้หลายศาสนาก็ใช้วิธีนั้ น, นทำลืมๆกรบเกลือนสกดไว้อะไระไ ร, ไรแล้วก็ลืมๆเสร็จแล้วก็ไป ม, มุ่งแตดีมันก็ดูเด่นดูว่ามัน พูดแต่เรื่องดีๆโชว์แต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆมันก็เลยเด่นส่วนศาสนาพุทธมาพูดแต่เรื่องไม่ดีหลวงพี่ไม่ชั่วอะไรที่กันเหมือนกับขายหน้าเหมือนกับปรานาเหมือนกับประจานไม่ดีอะไรไปเรียนรู้ไปลดไปละไปลดไปลดเลยเหมือนกับศาสนาที่ไปในแง่ลบไปในแง่เศร้ามองไปในแง่ที่เป็นทุกนิยมนะก็ถูกความเข้าใจก็กถูกแต่ว่าความลึกซึ้งนั้น ถ้าความทุกข์ความชั่วความเลวมันอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็ไม่ดีหนึ่งวินาทีอยู่กับเราไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีหลายชาติมันก็พาเราเลวอยู่ตลอดกาลนานไม่กาจัดมันขนาดกาจัดมันยังไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่สนใจในเรื่องความชั่วมันจะพาให้เราตกตำ่ำ ไปทำแต่เรื่องดีสนใจเรื่องดีมันก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องชั่วน่มันซ้อนอยู่ในตัวเรามันไม่ออกไปจากเราเนี่ยเราก็จะต้องมีบทบาทของความชั่วซับซ้อนอยู่ในตัวเองเนั่นแหละพระศาสนาพุทธจึงเพ่งที่ความชั่วเพ่งที่ซาตานเพ่งที่เหตุที่มันทำให้ชั่วให้ทุกข์ให้ตกต่าแล้วเรียนรูปป้ปราบมันให้สนิทพร้อมกันนั้นก็ไม่ปฏิเสธเรื่องทาดีแต่เรื่องละชั่วเนี่ยนหน้า นำมาก่อนเป็นเมเจอร์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเอกส่วนการจะทำดีนั้นรองลงไปจากการปราบชั่วละชั่วก่อนประพฤติสิ่งดีละบาปก่อนนี่เป็นหลักการของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคนมองไม่ซึ้งก็ว่าได้ว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นศาสนาดูทุกนิยมเป็นมองแต่ ติเ ต, ตียนเพราะคนเห็นชาวโศมกเนี่ยมาถึงชาวโสมนี่จะคบยากเพราะชาวโสมเนี่ยพูดในเรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่มีปเปลาเปลโลไม่มีป่ปะะปอเปลาะป่อยอะไรอะไรกันเท่าไหร่รับแขกแทบจะไม่เป็นละชาวโศกมาถึงมาถึงใครมาถึงนี่จ้ากจ้าร้องออกไปแล้วโอ้โหไม่ไหวเข้าใกล้ไม่เคยได้ชาวโสมเนี่ยมันติ ก, กันเรื่อยติง ก, กันเรื่อยว่าเรื่อยมาถึงจะโดวนว่าเรื่อยเลยมาถึงเอาแต่โดนว่า เพราะฉะนั้นชาวสงฆนี่เขาคบยากชาวสงฆไม่ค่อยประหลอกไม่ค่อยไอปทำมาระยาดงามเอา อ, อกเอาใจดีไม่ดีมารยาดงามเอา อ, อกเอาใจเสร็จแล้วมือลวงกระเป๋าอ่าชาวสงฆไม่ไ ม, ไม่ไม่จริงมาที่นี่มาถึงเจ็ดครั้งอย่ามาทําบุญเอาถึงขนาดนั้นชาวสงฆนี่ฟังแล้วมันน่าอ้วกมันใส่นะัก ไม่ทำแอ็คยางง้นอย่างงี้แต่นี่เป็นเรื่องความจริงของเราและเราก็ได้ประโยชน์จากการละชั่วรู้จักสิ่งไม่ดีของเราแล้วปรับสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งดีเราก็ทําไม่ใช่ว่าเราละเลยเรารู้ว่าดีเราก็พยายามทําไวด้ดีทรงไวด้ดีให้ดีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าความดีเราเลิกไม่เลิกไม่ลืมดีเราก็ไม่ลื ม, แ, ล ม, ลมแต่นําหน้าเรียนรู้สิ่งไม่ดีของตัวเองคนจึงได้แก้ไขปรับปรุงไง คนยังได้แก้ไขปรับปรุงทำแต่ดีไม่ได้แก้ไขปรับปรุงถ้าความดีอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็ไม่เห็นเสียความดีอยู่กับเราอีกเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมมันไม่มีปัญหาแต่ความชั่วสิอยู่กับเราอ่ะดูวินาทีหนึง่งมันก็ไม่ดีอยู่ไปชั่วเป็นชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมเพรา ะ, ะตัวนี้มันต้องรีบร้อนมันต้องรีบจัดการก่อนนี่เป็นความเห็นเป็นความเข้าใจทําความเข้าใจกันให้ชัด นี่คือศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่หลายคนหลายศาสนาหลายพวกเขาไม่เข้าใจเมื่อเข้ามาห า, าโสกนี่ยอมาถึงก็โดนว่าโดนอะไรที่นี้มันนักว่านักชี้บอกเรื่องไม่ดีไม่งามไม่แก่เราเองเพราะฉะนั้นคนมีอัตตามานะถือตัวถือดีโดนว่าโดนติโดนตียโดน ต, โดน ต, โดนติโดนติงสิ่งไม่ดีไม่งามอะไรนี่ไม่ชอบใจมันเป็นการคัดเลือกเหมือนกัน ถ้าเข้าใจชาวโศกไม่ได้และตัวเองมีอัตามานะมากเมื่ออยู่กับชาวโศกยากคนในโลกนี้มีอัตามานะเยอะไม่ชอบใครมาติมาติงอ่ะไม่เคยมีใครมาว่ามาประจานมาเปิดเผยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งที่มันไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะรับรู้อมันก็ไม่ได้แก้ไขมาเพราะงั้นคนที่คนนั้นนะคนที่มาไม่ชอบอย่างนั้นก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน มันเหมือนกันเป็นการสอดคัดเลือกเหมือนกันชาวโศกเนี่ยคัดเลือกว่าคนจะมาที่นี่จะต้องเข้าใจนะจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะว่าชาวโศกเป็นคนอย่างนี้แต่อาตมามั่นใจว่าชาวโศเรานี่จริงใจอะ่ะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะต้องมาหลอกลวงอําพรางอะไรเพราะฉะนั้นจะเข้มในลักษณะพวกนี้ เมื่อเรามาเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีทําความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็ไปตั้งหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลหรือว่าตั้งกรรมฐานตั้งสัจจะจะเอาจริงเอาจังกิอันนี้มันเป็นสิ่งม่ดีของเราไปตั้งใจเรียกว่าศีลพรตแล้วเอาไปปฏิบัติพรตแปลว่าปฏิบัติเอาไปประพฤติปฏิบัติศีลก็คือหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติมีวัดปฏิบัติหรือมีพรตมีพรตักการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราไปตั้งให้แก่ตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ ติดยึไม่เหมือนกันหรือว่ามีความไม่ดีไม่งามส่วนบกพรอ่องอะไรนี้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใครจะจัดการอะไรของตนของตนก็เอาของตนเองนั่นแหละและจัดการมันจริงๆเลยไปปฏิบัติสิ่พรสนี้ให้ได้การปรฏิบัติของพุทธนั้นปฏิบตัติทั้งคิดสังกปะจะดัมเบอะไรนึกคิดอะไรขึ้นมาก็ต้องตรวจตราวิจัย ดูเลยมีทารรวิจัยในจิตใจของเรามันมีอะไรมันคิดยังไงมันดันดั่มิอะไรถ้าดําดิไปผิดก็ที่เราตั้งศีลตั้งพรตให้แก่นตนเองเราอยากทาเลิกแก้ไขปรับปรุงให้ได้ออกมาทางวาจาออกมาทางกายออกมาทางกรรมกรรมิกริยาทุกอย่างออกมาประกอบกับอาชีพที่กระทำตั้งแต่รู้จักอาชีพตื้นๆง่ายๆโอ้อาชีพอย่างนี้มันไม่ดีอ่ะมอมเมาเป็นผิษ ไม่ได้น่าดุนมันไม่เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรมันไม่น่าจะมาสร้างสรรเลยอ า, อาชีพเอาเปรียบเข้าอาชีพตีกินอาชีพนี้งานหนักมาสมัครงานสบายแต่รายได้สูงๆอะไรเงี้ยเอาเปรียบเข้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพมนุษย์ต้องมีงานมีอาชีพพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นการปฏิบัติ ครบครันในชีว <mister isation> ิตประจําวันและควบคุบคลุมไว้หมดละทั้งการคิดการพูดการกระทําอาชีพการงานอะไรคลุมไม่หมดแล้เป็นชีวิตประจําวันปกติสามัญไม่ใช่ว่าเป็นนั่งปฏิบัตินั่งหลบเข้ามุมอยู่ในเรียวในรูอยู่ในที่ว่างที่หลบอะไรต่างๆนานาคําว่าเรือนว่างก็ดีคําว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็ดีวัดในแปลว่าการประพฤติ อยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้หมายคำว่าอยู่ไปอยู่ป่าตลอดการไม่ใช่เมื่อจะมีวัดปฏิบัติอยู่ป่าเป็นวัดไปอยู่ป่าเป็นภาคปฏิบัติแต่เขเคยได้ยินใช่ไหมว่าอยู่ป่าเป็นวัดได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินมันมีคําว่าวัดด้วยวัดตะหรือวัตรัรึเปล่ามันแปลว่าการประพฤติพระตระนี่แหละพระตะนี่แหละการประพฤติเพราะเราจะประพฤติทำไปอยู่ป่ามันก็วิธีมีวิธีการประพฤติแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปอยู่ป่าประจํา ไปแปลว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็คืออยู่ป่าประจําไม่ใช่นะวัดไม่ได้แปลว่าประจำนะเพราะว่าวัดเป็นการประพฤติเพราะประพฤติอยู่ป่าเป็นวัดจะประพฤติอยู่ป่าก็ตามหรือจะอยู่เรือนว่างก็เป็นการประพฤติไม่ได้หมายความว่าเป็นสามมันชีวิตแต่คนเข้าใจผิดเผลอๆพวกนี้เลยนึกว่าศาสนาพวกนี่ปฏิบัติจะต้องไปอยู่ป่าประจํา จะต้องไปอยู่เรือนว่างประจำไปอยู่เรือนเงียบเงียบเรือนสงบสงัดอะไรเงี้ยเรือนว่างหรือเรือนสงบสงัดหมายความว่าอย่างนั้นประจําไม่ใช่แต่เรา ป, ป, ป, ป, ป, ปฏิบัติได้ลองดูได้ถ้ามเมื่อสมควรถึงกาลที่จะต้องอยู่ป่าอยู่เรือนว่างแต่ถ้าจริงๆปฏิบัติอย่างไรก็ทั้งสังกปะวาจากรรมตตะอาชีวะนั่นไงลราภาคปฏิบัติเป็นหลักเอกเป็นทางเอกของภาคปฏิบัติ เอเซวมัคโคนัททันโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางที่จะไปสู่วิสุทธิยาความบริสุทธิ์ร่วงสุล่วงทุกอย่างคือไปไปหานิพพานนั่นเองเพราะนั่ตรงวันนี้การเรียนาศาสนาพุทธฟัน่นเฝือก็เลยเป็นโลงพระภาคปฏิบัติคือจะต้องอยูปปปป่ปฏิบัติเอาแต่อยู่ในที่เปลี่ยวในที่ไม่มีสังคมไม่มีมนุษย์ไปอยู่ปลี๊ปลีกได้สงบ ในขณะที่คุณอยู่ที่สงบนี่นะจริงมันช่วยคนให้พอสมควรมันไม่มีอะไรมาจี้เราถ้าเรากิเลสเรามากอะไรมันก็รบกวนเราก็โอ้โหเราสงบไม่ได้เลยจิตใจเรามันแกว่งจิตใจเรามันบอกแกวกมากมายเราก็ไปหาที่สงบเป็นครั้งคราว ด, ดูได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าท่านไม่ได้ถึงขนาดจะต้องให้ไปหาที่อย่างนั้นทีเดียวหรอก ถ้าในปฏิบัติโดยแบ่งเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาตัวคนเราเนี่ยมีกิเลสจังเยอะเราเอาไว้ก่อนเอาขนาดนี้ก่อนตั้งเป้าลงไปว่าเราจะเอาเรื่องใดอย่างน้อยศี่ห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์หยาบหยาบไม่รักทรัพย์ตื่นๆแขนนี้เป็นหลักใหญ่ๆเลยศีห่หน้านี่เป็นหลักใหญ่คุณก็ทําดูสิหรือแม้แต่ศี่ห้าคุณก็ทําไม่ไหว ไม่ได้หรอกถ้าคืนไม่โกหสินข้อสี่นี่มันต้องโกหกไม่โก ห, ก ไ, มโกหกไม่ได้ต้องโกห ก, ก่อนอ๋อไม่ว่ากันลองข้อหนึ่งที่ไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองทอย่าไปทุจริตลักทรัพย์ขโมยเอาของที่ไม่ใช่เป็นของของเรามาเป็นของเราโดยทุจริตอย่างนั้นลองดูสิอย่าไปคิดโกงประเภทอะไรพวกนี้เอาให้ได้ก่อนหรือการในซ้ำส้อนเกินไปก็ตัดขอบเขตลงมาให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนผัวเดียวเมียเดียว ไอ้พอเพืเดียวเมียเดียวนี่ก็ถือว่ามาตรฐานสามัญแล้วนะไอ้แค่นี้ไม่ได้พเพื่เดียวเมียเดียวไม่ได้เนี่ยมันจะไปไหวแล้วก็ลองดูอย่างนี้เป็นตน้นแล้วทํากับตนเองอันอื่นที่มันยากโอ้จากสิ้นแปดสิสิบอะไรมันขึ้นไปหรือว่ามีนัยยะอื่นๆที่จะบอกมันนี่มันเยอะเ ย, ะ ย, ะ ย, ะยะอะไรอีกเอาละอันนั้นเราก็ยังไม่ไหวเราต้องละ เ, เมิดไปก่อนก็ไม่เป็นไรทําไปตามนั้นก่อนแต่อันที่เราใส่ใจแล้วเรียนรู้ เป็นกรอบที่เราปฏิบัตินะศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อที่อาตมาได้พูดไปแล้วอธิบายไปแล้วไม่ได้หมายคับว่าแม่ในสมาธิมิชาทิฏฐิเนี่ยหรือในทิฏฐิสิบเนี่ยมีข้อหนึ่งบอกว่าแม่ใครเห็นแม่รู้จักแม่ว่าแม่เออเรามีแม่เหมือนกันนะถ้าจินเทศอาตมาระไย่าชาไปแล้วว่าไปหาแม่หาพ่อของตัวเองให้ได้แล้วมีแม่มีพ่อช่วย ในการปฏิบัติของเราให้มีมรรคมีผลทําให้สัตตาอุปปาติกาทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสัตว์ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดเป็นอุปาติกายน ن ي เกิดทางจิตวิญญาณเกิดใหม่เกิดเป็นอริยะบุคคลเพราะทําลายเหตุที่มันพาเป็นตระกูลซาตานตระกูลผีผีมารซาตานอะไรพวกนี้แต่ก่อนจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณของผีมารซาตานอย่างนั้น ไปทำให้จิตวิญญาภีมานสาตานเกิดใหม่หรือว่าข่าเหตุที่ไปเป็นภีมานสาตารเนี่ยเพราะพันธุ์ใหม่มาเป็นพันเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นเทพที่ลดกิเลสนั้นลงไปลดกิเลสลงไปจนเป็นเทวดาอย่างแท้จริงเป็นเทวดาโสดาสกิทาหรือเป็นเทวดาขั้นขั้นขั้นรูปรู ป, ปรพรม้มจนกระทั่งถึงขั้นอรู ป, ปรพร้มก็แล้วแต่เปลียนจิตปัญญาให้ไม่ได้อย่างนั้น เพราะงั้นคำว่าแม่ว่าพ่อที่อาตมาอธิบายไปแล้วก็ต้องรู้ว่าแม่พ่ออันนี้เป็นสิ่งที่พาให้จิตวิญญาณเกิดเกิดจริงๆทางจิตวิญญาณถ้าสามารถเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจนจิตวิญญาณเราเปลี่ยนแปลง เ, เกิดใหม่ได้จริงอย่างที่กล่าวนี่นะนั่นแหละคุณมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าดูมันจะเทศข่าวที่แล้วไปด้วยว่าบุคคลสี่บุคคลแปดใช่ไหมเมื่อวานเนี้ย บุคคลสีบุคคลแปดนั่นแหละเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นสาวกสาวกกสังโคเป็นสงถ้าคุณเข้ากระแสเป็นโสดาบันคุณก็ได้ชื่อว่าเป็นสงองค์ใดองค์หนึ่งในในในในอริยสี่เหล่าสมณะสี่เหล่าสมณะแปลว่าความสงบสงบลงไปได้ละถ้าเข้าขั้นโสดาบันก็สงบลงไปได้ขนาดหนึ่งนี่คือ สาวกของผู้เจ้าแท้นอกนั้นสาวกแต่เพียงเรียกตามยี่ห้อไปเฉยๆว่าพุทธเป็นพุทธสาวกทั่วไปเลยโอ้โหประเทศไทยนี่มีตั้ง 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ในประชากรของประเทศไทยเป็นพุทธสาสนิกชนก็เตมมีแต่ยี่ห้อไม่ได้เป็นสาวกจริงหรอก ไม่ได้เป็นสงสาวกที่แท้จริงหรอกรเพราะฉะนัสงสาวกที่ตรัสไว้ท่องสวดกันอยู่เนี่ยนะสุปฏิปันโนสาวกสังโฆจะเป็นสาวกที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอะไรเนี่ยท่องกันยังไปสวดกันอยู่เก่งๆแต่ความจริงยังไม่เข้าขั้นเป็นสาวกที่แท้เพราะใครจะเป็นสาวกที่แท้นี่ต้องปฏิบัติให้ให้ถึงขั้นนั้นถ้าปฏิบัติได้มกักได้ผลจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันหลุดมันละมันลดลงมา มันปลดปล่อยมานะมันเห็นอีกโลกโลกหนึ่งที่นี่มาอธิบายโลกนี้โลกหน้าดูบ้างอัตมาว่าอัตมาเป็นประกาศเป็นโพธิสัตว์เป็นสมณะพรามนานะสมคตาเป็นผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบดำเนินชอบปฏิบัติตามธรรมวุฒิเจ้ามา จนสามารถรู้ได้เป็นสยังอภิญญาสัจจิกตวารู้ได้โดยตนอภิญญาคือความรู้รอบรู้ยิ่งสยังโดยตนเองสัจจิกตวายู่แจ้งแล้วแจ้งชัดแล้วสัจจิกตวารู้ได้โดยตนเองแจ้งชัดแล้วมีของตนเองเห็นของตนเองรู้ของตนเองมีมาเป็นของตนเองมาจริงๆในชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนรู้มากนักหรอก ปฏิบัติมาจนกระทั่งมาเป็นสยังพิญญามันมาตั้งแต่ชาติคนกอดเพระาะฉะนั้นนี้ตามประวัติอาตมาได้ตั้งแต่เกิดมาถามน้องถามนุ่งอาตมาได้ตั้งแต่เกิดมาอาตมาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไปศึกษาอะไรแม้แต่ที่สุดมาอยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพแล้วทํางานทําการก็ไปเล่นศิลศาสตร์โดยซ้าไปเอาเวลาไปเล่นศิลศาสตร์โดยซ้ำไปไม่ได้ไปดึศึกษาพุทธศาสนาอะไรกับใครขลอกแต่มันมีของเดิม อันนี้ธรรมาถึงเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อสิ่งที่สั่งสมจนทุกวันนี้อรอรมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มาเผยแพร่มาทา้าทายให้มาพิสูจน์ในพวคุณเรียนรู้แล้วไปปฏิบัติจนเป็นอย่างนี้เห็นตามกลา้าทิ้งโลกียะทิ้งลากทิ้งยศทิ้งสันเริญทิ้งกรรมกรมมาสุขทิ้งอัตตามานะลงมาได้พอสมควรมาถึงขนาดนี้มีมวลถึงามาตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจะถึงแสนหรือเปล่าไม่รู้นะ ได้เล็กได้น้อยนับอย่างเล็กๆน้อยๆ ก, กระปิกกปอยอาจจะถึงก็ได้นับ น, นับออย่างนี้ก็เอาแล้ววะได้นิดนึงก็เอา <c oughs> แต่ถ้านับดีๆเป็นตัวหลักๆนี่ไม่ถึงแสนคนมั่งอาตมาว่าที่มาปฏิบัติในทิศทางที่อาตมาพาทำเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วจึงจะเห็นจริงว่าเออชีวิตของเราหลุหลดพ้นหรือว่าไม่ถูกครอบงํากับแบบโลกโลกของเขา เนี่ยเขา้าอยู่อย่างอบายยมุกต่างๆเป็นตน้นสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟืออยู่ในโลกเป็ตนต้นแต่ก่อนเราเป็นรถเป็นชาตินะมันอร็ดอร่อยมันไม่มีไม่ได้มันจะต้องไปเอาอย่างเขาเป็นสแสวงหาตามเขาอะไรเนี่ยโอ้ยสอกสอกสอเขาหลอกยังไงก็เชื่อขโมดอาตมาพูดไปเถิดปากเปียกปากแฉไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกมาเลิกไปทําไมก็คนส่วนใหญ่เขาก็จังโอ้โหดูที่ทั้งคาทั้งขาย พาร่ำพารวยกันอยู่เต็มประเทศก็แน่นอนนะคนมันมีกิเลสมันเป็นส่วนมากเขาก็ค้าขายว่ า, า, า, าคนมีกิเลสมองมาคนมีกิเลสคณก็ได้สิแต่คนที่ไม่มีกิเลสมันน้อยจำนวนน้อยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องกับคนที่ไม่มีกิเลสด้วยกันเนี่ยมันก็มีจำนวนน้อยมันก็ได้อยู่แค่นี้แค่นี้ก็ไม่ว่าแล้วเราก็ขยายผลไปเรื่อยๆขยายให้คนอื่นผู้ที่พยายามสแสวงหา พยายามที่จะพากเพียรให้ตัวเองได้มาบ้างเขาก็มาตามบ้างซึ่งเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอัตราการก้าวหน้าอยู่สามารถที่จะมีคนมาฟังเข้าใจมาเพิ่มมามีปริมาณเพิ่มมีคุณภาพเพิ่มของเก่าของสัจจะของพุทธนี่นะใครได้แล้วได้ถึงขั้นเข้ากระแสแล้วเที่ยงแท้แล้วนี่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่ตกต่าไปแล้วไม่ไม่ไม่กลับไปถ้ายังกลับไปอยู่แสดงว่ามันปลอมมันไม่จริง แต่คุณจะเพิ่มไปดูตืต้นๆนะบางคนมาอยู่วัดแล้วโอ้โหดูท่าทียังยังก็เป็นอนาคามีนะโอโ้มาทำงานฟรีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคานไม่สะสมแต่เอาไปเอามาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่รอดออกไปข้างนอกออกไปอยู่ก็ถนนกลับกลายไปโอโ้สะสมไปกอบโกยไปดูเคลอะเลยกามก็เคลอะดูอะไรใรบางคนจริงๆมันไม่ถึงเคลอะหรอกนะไปเหมือนกับเขา อยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็เคร่งดีนะดูแต่พอไปตรงโน้นเขาลดหย่อนลงไปตั้งเยอะจริงๆแล้วถ้าจะไปตรวจสอบเขาดูจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรหรอกอบายามุขเขาก็ไม่มีหรอกอ่าเขาก็อาจจะไปแต่งงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในวงของศีลห้าซึ่งโสดาบันมันก็มีศีลห้ามีแต่งงานแต่งการได้ก็เลยมองดูว่าโอ้โหอยู่ที่นี่ยังคพระนาคามีไปโน้นแต่งงาน คนเราก็เลยมองเพลินๆโอ้ตกตำ่ำตกตำ่ำแบบนี้ตกตำ่ำถึงแม้เขาจะตกตำ่ำเขาเป็นไปได้สำหรับบางคนมันมตั้งอกตั้งใจที่จะสูงสูงๆแต่มันไม่ได้มันก็ต้องพ่ายแพ้มันก็ต้องเลยต้องลดจอนลงไปต่ำลงไปอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ต่ำกว่าเกรดไม่ได้ต่ำกว่าศีลห้าเขาพอมีอยู่อบายมุขเขาก็ไม่มีจาักการก็มีเพ้อเดียวเมียเดียวอะไรของเขาไปตามปภาษา มันก็ไม่น่าจะไปลงโทษเขาว่าเป็นคนตกต่ำแล้วไม่คบแล้วอย่างงี้ไม่ไหวแล้วดีไม่ดีตัวเราเองอยู่ที่นี่นึกว่าเกรงเกรงนั่นแหละยังสู้เขาไม่ได้เลยก็ได้นาสู้เขาที่บอกว่าออกไปแล้วแต่ที่พูดนี้ไม่ยอยุให้ออกนะมันต้องมงเล็บไว้หน่อยพูดๆนี้ไม่ได้ไหมหมายความว่าเปิดช่องชี้ชี้พร o งให้กระรอกไม่ได้ชี้พร o ให้กระรอกนะอยู่ได้ควรอยู่ ไอ้ที่มันสุดวิสัยมันอยู่ไม่ไหวมันตกหล่นไปยังไงก็แล้วแต่คนเถอะมันตกหล่นไปแต่อย่าพยายามต่ําพยายามสูงเข้าไว้ให้ได้นะถ้ามันจริงแล้วนี่นะมันเขตไหนก็แล้วแต่จะเป็นเขตโซดาบันเขตสกิทาคามีได้แล้วมันได้เลยธรรมะของพระเจ้านี่ได้แล้วได้เลยยิงขันอรหัตผลแล้วเนี่ยตัดหัวโคแห่งยังไงก็ไม่ีเปลี่ยนแปลงลงขั้นถึงขั้นตัดตาอวิชตาอนัญญาตาแล้วมีแต่จะไป ต่อเชื้อต่อพนันเพราะฉันมีสิ่งนี้แล้วฉันก็ไปแพร่พนันสิ่งนี้ได้อิทธิปเจตาเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เนี่ยมันมีของจริงมันถึงมีของจริงตามมาได้เพราะศาสนาพุทธมันไม่มีของจริงมันเลยไม่มีของจริงต่อมาเรื่อยเลยอิทัิปเจตาแบบประเภทเดียวมันไม่มีของจริงมันมีแต่ปลอมๆการปฏิบัติบาปุจเจ้านี่เป็นเรื่องที่ทําให้คนเจริญที่อาตมาย้าตอนนี้พูดย้ามากตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนเรา เกิดมาก็เป็นคนสัตว์โลกนี่ก็คือคนที่เป็นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดท่านก็เกิดมาไม่รู้กี่ชาติในวัฏสงสารนี้เกิดมาเป็นคนแล้วท่านก็สแสวงหาความประเสริฐจะเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ดีที่เก่งที่วิเศษสุขที่สุดสูงที่สุดอ่าดีที่สุดดีเป็นยังไงท่านก็สะสมไม่ใช่จะสะสมแสวงหาศึกษาจนมาพบทางนี้แหละ แ้ั้งกศึกษาจนกรทั่งปฏิบัติพิสูจน์จนะทั่งท่านเป็นได้ตามอุดมการของศาสนาพุทธนี้ท่านเจอพระพุทธเจ้ามาตั้งไม่รู้กี่องค์แล้วท่านกศึกษาตามจนบรรลุออเป็นคนที่ดีเป็นอย่างนี้เป็นคนที่สุขแม่มันสุขอย่างดีอย่างวิเศษสุขอย่างบุปผสโมสุขอ่าสุขอย่างพ้นทุกอริยสัจอย่างเี้วิเศษแล้วมันสูงไหมสูง เมันบริสุทธิ์จริงมันดีจริงกิเลสมันหมดจริงมันมีพฤติกรรมที่ดีจริงมนุษย์คนเคารพกราบไหวเป็นอหุเนยยบุคคลป่าหุเนยยบุคลบคลทักขิเนยยบุคคลใช่ไหมคนจะสักการะอัญชลีกรณิโยเป็นคนดีอย่างงี้คุณเคารพคนบูชาคนที่มีคุณลักษณะทิละลดแบบนี้ได้จริงๆนี่แหละวิเศษเป็นคนสุขเป็นคนสูงแล้วอาตมาขอยืนยันว่าสร้างสรร พระศาสนาพุทธทาคนปฏิบัติอย่างนี้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่เนือโลกแล้วก็ช่วยคนในโลกอนุเคราะห์โลกพระผู้ชนะเหตายะพระผชนะสุขายะโลคานุกมปายะอุ้มชูโลกได้ท่านสะสมจนกระทั่งบรรลุจนกระทั่งสั่งสมเป็นโพธิญาณสั่งสมภูมิธรรมมากกว่าอารหันธรรมดาจนบรรลุอรหันตสมาสุขุจ้าถึงได้เห็นว่าโอ้โหเป็นคนสุดยอดจริงๆแนละ้วเอาละ สั่งสมบุญบา ร, รมีมาจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอย่างนี้พอแล้วสุดยอดมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาเป็นคนนี่นี่คือศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ได้ ว, ว่าเป็นสิ่งประหลาดอย่างที่เขาบอกว่าพระเยซูจะไปเรียกว่าเป็นคนนะท่านเป็นพระมุทนะจะไปเรียกท่านไปเป็นคนนะพระเจ้าส่งมานะแม่ลึกลับดีจริงๆแล้วเราจะไปทําอย่างพระเยซูได้อย่างไง ก็พระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าทรงมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยเกิดมาทางอะไรก็ไม่รู้นะคือว่าก็ลึกลับลึกลับไปหมดเลยเป็นพระเยซูอ่ามันก็ปฏิบัติตามยากเพราะพระเยซูไม่ใช่คนเราเป็นคนแล้วก็เรียนอย่างคนนะนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้าเป็นคนนี่ท่านแล้วก็ทศษามาจนกระทั่ง โอ้โหบรรลุกี่ขั้นกี่ขั้นท่านบอกไว้หมดขั้นนี่เป็นสมณะตะเลขั้นที่หนึ่งโสดาสกิทานาคาอรหันต์อราหารันต์ที่เป็นโพธิสัตว์เป็นมหาสัตว์โพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรื่อยๆจนเป็นอราหันต์ตสัส ม, มาสัพพุทธเจ้าก็คือคนสุดยอดแห่งคนคุณเชื่อมั้งไหมนี่ว่าพุทธเจ้าท่านคนพบความเป็นคนที่สุดยอดคนแล้วเชื่อไหม เพราะทางนี้แหละเป็นทางที่จะต้องมาศึกษาเอาดีๆคุณจะเกิดอีกกี่ชาติอาตมาว่ามันต้องเดินอย่างนี้แหละเอาอย่างคนที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้พิสูจน์มาแล้วนี่แหละอิเศษเพราะฉะนั้นถ้าทายไม่พิสูจน์เอหิปัสซิโกถ้าท า, ายคุณมาพิสูจน์ตั้งแต่ขั้นโซดาส ก, กิทานาคามาเรื่อยๆก็มีคนมาลองพิสูจน์มาเยอะเหมือนกันอาตมาทํางานมา20 30ปีมานี่ก็มีมาอ่ากลา้า กล้าเสียกล้าสลับกล้าทิ้งโลกอย่างนั้นอย่างนี้คนเขาแย่งชิงกันยังไงดีเขาก็าทิ้งกล้าทิ้งมามาม า, มารวมกันเป็นหมู่กลุ่มมีพฤติกรรมของสังคมมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาสร้างเป็นวัฒนธรรมคนแบบนี่มีแนวคิดแบบนี้อโศกเนี่เขามองว่าเป็นคนที่มันมันไม่มันเป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นพวกรับ รู้อันอื่นขาว า, างกันนะเป็นพวกที่ปิดไม่เปิดเป็นพวกที่เอาแต่พวกตัวเองไม่เอาคนอื่นความจริงพวกเราอาโศกเนี่ยเป็นพวกเปิดแต่เปิดชนิดที่เรียกว่ามีวิธีคุณเข้ามาเลยเขาไม่เคยกลา้าเพราะอะไรเพราะวิธีของพวกเราเนี่ยมันเข้ามามันจะต้องทําอย่างพวกเรานะ คุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องมาทำหล่อๆล่แหล่แไม่เอานะเข้ามาแล้วคุณจะต้องเคร่งหน่อยนะไม่เคร่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเครื่องคัดเลือกทั้งนั้นเลยเพราะคนที่เข้ามานี่บอกว่าโอ้โหมันเอาหนักไว้บนเนี่ยเขาถึงหาเาพวกอโศกสุดโตงอ่อโศกสุดโตงเหมือนว่าอโศกไม่รับใครจริงๆแล้วอโศกนี่ยินดีรับแต่คุณจะมาได้ไหม นี่ตั้งหากเราถ้าคุณมาได้เวลคัมอ้าวเวลคัมไม่ใช่เวนกรรมนะเวลคัม <laughs> ยินดีต้อนรับมาเลยถ้าคุณมาได้ถ้าไม่ได้คุณก็ค่อยๆเรียบเคียงเข้ามาศึกษาดูมันยังไงไมาเข้ามายังไงถึงจะเข้ามาได้มันเป็นการคัดเลือกในตัวเพราะฉะนั้นที่นี่รั้วเปิด แต่เดินเข้ามามันเอ๊ะมันชักยากเท่านั้นเองแล้วหลายคนได้ยินกระแสแล้วไม่เข้ามาใกล้เลยเพราะในตัวคนเราเนี่ยมีเซนส์มีไอตัวปฏิพานที่มันพอรู้่าสามันสำนึกอะไรพอรู้ไอพวกอย่างนี้อย่างงี้มันจะไปไหวหรือมันจะอะไรนี่็นต้นหรือไม่ใช่อะไรถ้าเราจะไปเราจะไหวหรือนี่ นี่มันลึกๆกลยนะแต่ไม่อยากพูดตรงนี้เพราะไปแล้วมันจะขายขีหน้ามันก็เลยไม่พูดตรงนี้ก็พูดว่าพวกนี้มันไม่ไหวที่จริงกูไม่ไหวแต่ไม่อยากบอกใครถ้าคืนกูเข้าไปแล้วทำไม่ได้ขายหน้านะเพราะมันเคร่งนะมันยังงี้นะมันมากน้อยสนดษเขายอมรับแเรื่องมากน้อยสันโดษของอศเขายอมรับแต่จะให้ตัวเองมามากน้อยสันโดษอย่างนี้บ้างกูไม่ไหว ก็เลยพูดกบเกินว่าไอพไไา้พวกนี้มันไม่ไหวอะพวกนี้มันไม่ไหวจะพูดให้งียากเลยรู้น่าลึกๆเนี่ยเองอะไรไม่ไหวไม่ใช่พวกนี้เขาไม่ไหวพวกนี้เขาไหวตัางหากเขาถึงทําได้เองไม่ไหวแล้วเองมาว่าเขาไม่ไหวใครแน่มันไม่ไหวนี่แหละอาตมาแฉความจริงให้ฟัง เพราะงั้นอาตมารู้ความจริงมันอาตมาไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเขาจะว่าอย่างง้นว่างงี้ประท้วงงนอย่างงี้ประชดประชันแดกดันอะไรก็ว่าไปเข้าประชดประชันแดกดันมีเหตุผลว่าอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้มามากน้อยอย่างนี้ไม่ดีมาสันโดงอย่างนี้ไม่ดีมาใส่ไม่ไม่ใส่เกลือกอย่างงี้ไม่ดีอะไรงี้เป็นต้นมากินมือเดียวไม่ดีมาเสื้อผ้านาแพรอยู่ที่นี่ใส่โอ้มันไม่ดูเจริญหูเจริญตาเลยดูแล้วเศร้ามองไม่ดีอะไรต่างๆเขาว่าไปแล้วก็มาพิจารณาดูทีว่ามันเป็นยังไง มันควรจะดีไหมถ้าจะไปแหมระริกรรีบุบวาบมือบ่าอย่างนู้นมันไม่เข่าถามาอย่างนี้ดีกว่ามากน้อยสันโดษเราไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะอาตมาอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะเป็นสุขุมอรชาตินะแน่นอนเท้าไม่ได้แตะพื้นหรอกเหมือนสมัยเนี่ยเด็กเกิดมายังไม่ทันจะหัดคลานเลยมันใส่ถุงเท้าแล้วใส่รองเท้าแล้วมันน่าจะออกมาตแต่แต่คลอดเนาะคลอดมันออกมาแล้วเอารองเท้ามาด้วยเลย คือเด็กทําไมนี่จริงๆนะใช่ไหมนะเอะยังนอนดิ้งง่ใส่ละถุงเท้าเพราะยังไม่ทันหัดเดินซื้อรองเท้ามาเตรียมลนะเตรียมใส่รองเท้าให้แต่ยังไม่หัดเดินลนะพอเดินก็ใส่รองเท้าแล้วแล้วตีนมันไม่บางไงไหวตีมไม่ไม่อ่อนแอไงไหวมันผิดธรรมชาติอ่อนแอยิ่งทุกวันนี้ยิ่งคนชั้นสูงยิ่งคนในกรุงเนะี่ยอย่างงั้นเอาตามกันเลหมดเลยถือว่าชั้นสูงเลยนะนี่พวกไฮโซเขาต้องทําอย่างนี้อ่า พวกบันนอกพวกชนบทเนี่ยไม่โอ้โหหารองเท้าใส่ไม่เคยได้มันก็แข็งแรงเทา้ากแข็งแรงเพราะเป็นธรรมชาติเพราะพระุทธเจ้าเป็นสุคุมรารชาตแบบนั้นแหละแต่ท่านก็มีบารมีของท่านเพราะท่านบวชเสร็จแล้วท่านก็ไม่ใส่รองเท้าไปตลอดชาติท่านโง่หรือที่ไม่ใส่รองเท้าเนะท่านไม่ได้โง่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสัมผัสอะไรตรต่างๆนาน า, นาเป็นเรื่องที่จะทําทให้เท้าแข็งแรงไม่ต้องไป เป็นภาระไม่ต้องไปเที่ยเด็ดพึ่งวัตถุอะไรเกินการเพราะว่าคนมันก็คือสัตว์โลกที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แหล ะ, ะคนอุตรีแม่มาก็ไปใส่เกรือให้มันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาคือนึกว่าดีนะมันนึกว่ามามันจะชอบนะก็ไปตอกใส่ให้มันนะเอาหมดุดเอาอะไรไปตอกแล้วมันก็พูดไม่ได้นะมามันก็เ ต้องวิ่งไปทั้งเกือกเกล็ดกันแหละวิ่งไปจนกระทังจะตายไปตอกเกือกมาเลยนึกว่าช่วยมาทั่งที่จริง้วคนเราเนี่ยแหมเอาเหล็กไปใส่แล้วก็เอาตอกติดเอาไว้นะมันพูดไม่ออกอ่ะมันพูดไม่ได้ฮ้ยหมาไปใส่กันฮะหมาใส่ใส่อะไรชัผ้าลงชันรองเท้าเอ้ยนั่นแหละหมาก็ไปใส่ใส่สร้อยเพชรด้วยนะหมาใส่สร้อยเพชรด้วย เอาจริงๆบ้ากันถึงขนาดก็ว่าก็ไปถ้ปล่อยเขาเอาสรุปแล้วเลือกฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อเรื่องที่มันเกินจําเป็นนี่นะพระพุทธเจ้าท่านเองท่านเป็นคนมัชชิ ม, มาปฏิปทาเป็นคนที่ลงตัวเป็นคนที่จัดได้สัสดส่วนไม่เกินไม่มากไม่น้อยการไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่เรื่องน้อยไปไม่ใช่เรื่องน้อยไปการไม่ใส่รองเท้ามันเป็นเรื่องมัชชิ ม, มาปฏิปทารัฐที่พระพุทธเจ้านี่เป็นรัฐที่มัชชิ ม, มาปฏิปทาใส่เสื้อผ้านาแพรแค่สามผืน มัตถมาคุณต้องหาอย่างเฟอ้ออยู่อะใส่มันต้องเยอะต้งแยะเอาเถอะสมัยนี้มันมากมันอาจจะไม่ต้องเปลงต้องพลานอะไรมากนักให้สะดวกในการซักในการอะไรนี่พอสมควรแต่ถ้าสามพื้นจริงๆรเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี่งานมันไม่มากคนมันก็ไม่มากมันก็พอได้สมพื้นพอแล้วก็ผัดเอาพื้นนี้ไปซักเอาพื้นนี้ไปเปลี่ยนซักนุ่งพื้นนี้ห่มพื้นนี้อยู่มันก็พอไปนุ่งห่มแต่จีวครคลุมผ้าคลุมผ้าสะบองเอาไปเปลี่ยนไปผ้าซักอะไรมันก็พอไป เดี๋ยวนี้มันแหมงานมันก็เยอะจะต้องไปนู่นมานี่ก็เยอะผัดเปลี่ยนซักอะไรก็เอา้าซักสองชุดก็เหลือแล้วละสามชุดเอาอย่างมากเอาเผื่อเผื่อขาดเผื่อเหลือมันก็ไม่เฟอ้อเกินไปอะไรนะั่งนี้เป็นต้นเพรา ะ, ะนั้นเรารู้จักความพอเหมาะพอดีประโยชน์สูงประหยัดสุดมันก็ดีมันไม่เฟอ้อไม่เกินธรรมะของพเจ้านี่ทันสมัยมาจนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเฟอ้อเกินด้วยโรค โรคนะสระโอรอเรือคอควายนะโรคแห่งการฟุงฟรงฟ้งเฟอ้อมอมเมากับฟุ้งเฟ้อนี่เต็มสังคมบริโภคคุณว่าไหมะสังคมที่มันเฟอ้อโรคเฟอ้อบริโภคนี่มันมาก เกินมันส่วนเกินมากเหลือเกินเพรมมาะมันลดละลดละมากน้อยเออคือลดละนี่แหละการลดกลาละ ล, ลงมาเนี่ยมากน้อยอภิชฌาเนี่ยมาจนกระทั่งไม่ต้องไปมีมากมีมาอย่างเขาลดมาเทิดลงมาให้มันลงตัวให้มาถึงขนาดอยู่ในระดับสมบูรณ์ลงตัวยืนยันได้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาลัทธิเฟอเกินเป็นลัทธิมัชชิมาลงตัวเป็นกลางสมบูรณ์สมดุลไม่น้อยไปหรอก พนเราเอาพระพเจ้าเป็นหลักเรายังไม่ถึงก็ค่อยๆไล่มาจ้าสีน 5, ส่น่สี่แปสี่สิอะไรไล่ไปแล้วก็จะมากน้อยมามาถึงวันนี้อาตมาพาพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยลดละไม่ ม, มีบุญของเขาด้วยคนที่มาเนี่ยเขาไยืนยันว่ามีบุญของเขาถึงปฏิบัติได้เร็วในชาตินี้ก็ได้ลถละม า, าจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ลดละลงมามกน้อยสอดนย์ได้ เงินทองลาบยศส่วนเกิญก็ไม่ค่อยฟุงเฟอ้อฟุ่มเฟอือยอะไรลดละมาได้เราจึงเป็นคนประหยัดให้แก่สังคมแ ต, คแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีมาปร ะ, ประหยัดให้แกสังคมรัฐบาลก็บ่านะบอกนะประหยัดประหยัดประหยัดโอ้โหแหลกเละเทะอยู่นั่นนะไม่เคยมีความรู้เลยว่าจะประหยัดอย่างไรตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าจะประหยัดอย่างไร กลุ่มที่จะบริหารอยู่น่ยทั้งนั้นทั้งนั้นเฟอกันจะไปประชุมทีก็เอาแล้วต้องไปลาโรงแรมชั้นดีห้องสูตรนั่นนี่ประชุมฟุง้งเฟอฟุงฟอฟ้งเฟยอะไรต่อะไรต่อท ะ, ะเลแทะอยู่นั่นแนหะใช้จ่ายไปมาอะไรก็ต่างๆนานาพลานอยู่น่ยไม่รู้จักความประหยัดคืออะไรจิตวิญญาณที่จะลดละมากน้อยสนโดษอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจะมาทําให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น น้ำท่วมหลังเป็ดไม่มีทางสำเร็จหรอกไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะการบริหารประเทศนี่เพราะตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะมาแก้ไขเศรษฐกิจนี่คือการไปไม่รอดในเรื่องอะไรแต่จะใช้จะจ่ายและตัวเองก็ไม่มีความรู้ในตัวเองจะไปทำกับโลกกับสังคมกั บ, กกบนูกกรนีมันก็ไม่ได้ความรู้ก็ไม่มี จะประหยัดอย่างไรจะทําอย่างไรเฟอก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็ต้องนี่ให้ฟังได้เป็นเรื่องจริงนะทีนี้พวกเรามาปฏิบัติแล้วมันจึงเห็นอย่างนี้องค์ลงมาได้มักน้อยสะดุดลงมาเป็นไม่ไม่ใช่น้อยคนมัน ก, ก็เลยกลัวเป็นกลุ่มขนาดนะั้นยังรู้สึกว่าเราบางคนยังมองๆพวกเรายังเฟอเฟอรอยู่ในในอยู่ในทีเลยนะในพวกเราเนี่ยยังมีเฟอรโอโ้โหมีใช้ก็ยังเฟออุดมสมบูรณ์มากมายเฟอเพราะอะไร เพราะพวกเรามันมีการสร้างมากกว่าการใช้มันเหลือมันก็เลยเหมือนคนรวยอ่ะมันรวยเพราะอะไรเพราะใจเรามาักน้อยใจเราไม่มักมากมันก็เลยเต็มเร็วถ้ามักมากเนี่ยเป็นไงไม่มีวันจะไม่รู้จักเต็มทมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มทบ ม, ม, ม, มากมากแต่มักน้อยเรามีขีดจํากัดมีการพอมีการรู้ว่ า, ากําหนดเท่านี้เท่านี้ลงไปได้จนกระทั่งทาได้ มันก็น้อยแต่สมรรถนะความขยันของเราเนี่ยเราสร้างสรรค์อยู่ทุกวันแต่ละคนแต่ละคนทําเกินที่ตัวกินตัวใช้ตัวอาศัยยิ่งเอามารวมกันทุกคนไม่สะสมไม่เป็นของตัวของตัวมันก็ยิ่งมีเพราะงั้นก็เลยเอามาใช้ส่วนกลางก็พอพออาศัยจะกินจะใช้อยู่กับเฉลีย่ยกันเข้ามามาช่วยกันไปอะไรกันไปเพราะนั้นเศรษฐกิจของพวกเราจึงไม่เดือดร้อนนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ให้เห็ น, นเห็นเลยว่าโลก เศรษฐกิจในประเทศไทยมันแย่แต่อโศกโดยวิธีลัทธิของพระพุทธเจ้านี่แหละอาตมายืนยันพระพุทธเจ้าเขาหาว่าไม่ใช่ก็าหาว่าอาตมามาทําลายาศาสนามาทําให้ธรรมวินัยปิดปริตรออกนอกธรรมวินยัยอาตมายืนยันว่าอันนี้แหละในอดีตคนทําต่างกันจากอาตมาไปพาธรำเนี่ยอาตมาว่านั่นอนันอกจะ่มาขี้ตู่เลยแต่เขามีส่วนใหญ่ มีกลุ่มใหญ่มีมวลใหญ่มีรากฐานต่อเนื่องมายืนยึดหัวหาดได้ว่างั้นเถอะยึดบัลลังก์ได้เขาก็ตู่ได้ตู่ว่าเราเขาตู่เราว่าเราเอาขอพิสูจน์กันเพราะฉะนั้นนานาสังวาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทึกบอกว่าถ้าเมื่อความเห็นต่างแล้วกรรมไม่เหมือนกั น, นกรรมไม่เหมือนกัน อุอเทศต่างกันการบรรยายอุเทศนิยกโค้กคือมาแสดงขยายความต่างกันนะกรรมต่างกันการกระทาการประพฤติประพฤติต่างกันพวกเราประพฤติต่างกับเขาและการอธิบายอุเทศก็ต่างกับเขาศีลก็ไม่เสมอสมานกันเอกศีลของเราศีลของเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยศีลของเราปฏิบัติอย่างนี้นะศีลของเราปฏิบัติขัดเกล้าถึงใจนะของเขาแค่กายกับวาจายังงี้เป็นต้นมันอธิบายก็ต่างกันศีลก็ไม่เสมอสมานกันในในยะของอธิศีลก็ต่างกัน ของเราอธิศิญของเราเนี่ยมาทั้งในยากของความหมายในยากของภาวะที่มันปฏิบัติแล้วมันไปเกิดผลอย่างไรอย่างไรเอาจากพระสูตรมาในกิมัติยสูตรมันจะต้องขัดเกลากิเลสไปจนกระทั่งเวลาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งมันค่อยอย่างชั่วเป็นอวิปปิสารเป็นปรมุดชับเป็นปราโมดเป็นปีติเป็นอะไรขึ้นไปจิตมันจเจริญจนกระทั่งสู่สมาธิสู่ปัญญายานทัศนะ์สู่วิมุตติปฏิบัติศีลมันก็สู่วิมุตติอย่างนั้นของเราอธิบายได้ของเราพิสูจน์ได้ ท่านโนบัติบาศีนเอาแค่การกบฏาสมาธิไปนั่งเอานั่งสมาธิซึ่งมันอาตมาว่าไอ้นั่นสิอุดเทศผิดอธิบายผิดแล้วยกหัวข้อธรรมมาแสดงผิดไปแล้วอาตมาว่าพระเจ้าแสดงสัมมาสมาธินะสมาสมาสมาธิในปฏิบัติตามมรรคองแปดนะปฏิบัติองค์เจ็แล้วจะเกิดสัมมาสมาธินี่ตามพระเจ้าตรัสไว้อาตมาไม่ได้ไปพูดเราเองมันก็อธิบายต่างกันคุณเข้าใจอย่างหนึ่ง คุณยืนยันว่าคุณถูกเราก็เข้าใจว่าอย่างนี้ถูกต่างคนต่างเข้าใจคนละอย่างต่างคนต่างปฏิบัติศีนาณ า, าสังวาสแล้วพุทธเหมือนกันสังวาสเดียวกันคือพุทธพุทธสังวาสแปลว่าร่วมกันอยู่พุทธร่วมกันน่ะเป็นรูปพุทธร่วมกันเป็นพุทธเหมือนกันแต่มันต่างกันานานามันแตกต่างพระุทธจ้ให้ปฏิบัติกรรมนาณาสังวาสกันอย่างไร ก, งก็ต่างคนต่างปฏิบัติพวกศาพุทธศาส น, สนิกพุทธมามกะ ก็มาฟังทำฟังความทั้งสองข้างจะฟังธทำธรรมคำ ข, ของโน้นก็นไปฟังไปไปปฏิบัติตามก็ไปปฏิบัติดูจะฟังข้างนี้แล้วก็กปฏิบัติตามข้างนี้ก็ปฏิบัติดูอันใดคุณเห็นว่าเป็นธรรมวาทีถูกต้องเป็นธรรมะดีคุณก็เอาสิคุณก็เลือกเฟ้นเอาไปให้อิสระเสรีภาพแก่ทุกคนใช้มันสมองของตัวเองคุณมีความฉลาดเท่าที่คุณโง่คุณก็ไปเลือกเอาคุณฉลาดเท่าไหร่ก็ใช้ความฉลาดให้สุดยอดเลยเลือกเฟ้นเอา ได้เท่าไหร่คุณก็เอาอย่างนั้นเรียกว่านานาสังวาสอย่ามัตูมัดทวงกันอย่ามาว่ากันว่านี่คุณผิดฉันถูกคุณต้องไปแก้ไขตามที่ของฉันนะไม่ได้นานาสังวาสท่านห้ามมาท่วงนี้อาบัติโดยซ้ําพระเจ้าว่าอาบัติแล้วเขาก็ปฏิบัติอาบัติกับอาตมาแล้วเขาก็เฉยไม่รู้ว่าใครอาบัติกันแน่หาว่าเราอาบัติเขาอาบัติแต่เขาก็ไม่รู้ไม่มีคนรู้กัน คนรู้ก็รู้กันไปอัตมาก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงก็พูดกันตามที่พูดยอมฟังอยอมรับหรือยอมมาปฏิบัติ ด, ดูฝึกฝนดูปฏิบัติพิสูจน์ดูพอคุณมาพิสูจน์คุณได้คุณก็เห็นจริงคุณก็เชื่อไปได้เพราะแม้แต่นาน า, นาสังวาสนี่ก็ไม่พูดกันหรือพูดกันไม่ถูกเรื่องแล้วก็ปฏิบัติกันไม่ตรงอัตมาก็ว่ามันว่าไปตามพิสูจน์กันไปเถอะอัตมายืนยันมาเนี่ปฏิบัติ ตั้งแต่เขาท้วงตั้งแต่เขาฟ้องมาพศ3 2มมาถึงปีนี้42กำลังจะขึ้นสี่สมแล้วส0ปีผ่านไปแล้วอาตมาก็ยังนำพายังทำศาสนานี้อยู่แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาก็ขอยืนยันว่าตายหัวขาดขาทำอย่างนี้ปฏิบัติไปจนตายเพราะว่าอาตมาว่าอาตมาได้ดีแล้วมันได้ผลที่ดีกว่าตัวเองแล้วอาตมามีสิ่งที่อาศัย มีสิ่งที่ได้มีในชีวิตขนาดนี้และสบายแล้วแล้วก็พาพวกเรามาปฏิบัติพวกเราก็สบายกันไปเยอะแยะแล้วมีหมู่มีกลุ่มไปด้วยกันมาด้วยกันในนี้เลือดอโศกไม่ใช่เลือดสุพรรณไปด้วยกันมาด้วยกันนะถ้าเลือดสุพรรณต้องไปอยู่กับคุณบรรหารมันคนละเรื่องกันอาตมายังไม่อยากไปอยู่กับคุณบรรหารนะแล้เลือดอย่างเี้ยไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดอโศกอย่างเงี้ย แล้วมันก็เกิดกลุ่มหมู่เกิดวัฒนธรรมเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเป็นชุมชนชุมชนอะไรอ่ะชุมชนพึ่งตนเอง เ, เนี่มันเป็นตัวที่เขาปรากฏหรือว่าเขาเองก็มองเห็นว่าเออไอพวกนี้มันพึ่งตนเองได้เศรษ ฐ, ฐกิจบุญวายเดือดร้อนฟองสบู่แตกเขาโศกค่ามันเป็นไรแล้วมันก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็สร้างสรรส น, นั้นส่วนนี้จนสุดท้าย นักครูมันทนไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนอะไรแๆออกมามีแต่แผนพัฒนาประเทศอะไรก็เขียนมาจนถึงขั้นถึงแผนแปดกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างงี้ ๆ, ๆเอาละสิแผนว่ากันมาตั้งเจ็ดแผนแล้วมันไปไม่รอดมาลองทางนี้ดูยิ่งในหลวงมดตรัสออกมาเนี่ยพระราชดำรัสออกมาเอาอย่างงี้ ๆ, ๆ, ๆมันก็เลยสอดคลองกันมาใหญ่เราก็เลยตอนนี้ก็เลยค่อยบชั่วขึ้นหน่อยนึง คอยยิ่งชั่วขึ้นจีดหนึ่งคอยยิ่งชั่วขึ้นจีดนึถ้าไม่เช่นนั้นล้วถูกย่ายีถูกขมถูกอะไรไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันเอ๊มันชักจะมันสอดคล้องกับนโยบายสอดคล้องกับที่เขาบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างงี้มันก็มาเข้ากับปรับบางแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังไม่ละเอียดพอเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจริงไม่จริงอะไรขนาดไหนมีอะไรตรงอะไรไม่ตรงอะไรคนที่ไม่รู้เขายังไม่รู้อยู่ จะมีส่วนมากส่วนที่รู้นี่มีส่วนหนึ่งแต่ก็ยังดีมีเปอร์เซ็นต์ของการรู้นี่เพิ่มขึ้นการรู้จักอโศกรู้จักพฤติกรรมรู้จักอะไระอะไรเพิ่มขึ้นพวกไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละกลมไก่งงไปตามโลกเขาบางคนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่รู้จักรู้จัว่าอโศกคืออะไรเกิดชาวโศกรู้ก็เรียกกันเต็มๆเขาเรียกกันว่าชาวสันติอโศกนะเรียกกันไปเรียกไปนจนชาวสันติอโศกไม่ได้เรียก จริงๆเราตั้งเ ร, เรียกพวกเราว่าชาวอาโศกเขาเรียกชาวสันติอโศกไปเรียกถึงขั้นาเขาว่าชาวสันติอโศกก็ตามเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรว่สันติอโศกยังมีอยู่เยอะเหมือนกันพวกอะไรพวกทะเลทราพวกพวกเบอะพวกเบอะเบ ะ, บ ะ, บะยังไม่รู้เรื่องอะไรในโลกสังคมก็ไปถึงไหนแล้วเขาจะพัฒนาอะไรยังไงอะไรแต่ มีเหมือนกันนัได้ยินกระแสที่พูดกันมากเลยว่าแบบโอ้ตามพระราชดํารัสอะไรเนี่ยหรือพระราชดําริอะไรเนี่ยก็จะยินได้ฟังแต่ไม่รู้ว่าแล้ที่ท่านดำริดำริอะไรดำรัต ด, ดำรัตอะไรยังไม่รู้เนื้อหาบางอย่างนี้ก็มีเยอะพระราชดําริก็ว่าไปตามเขานะแต่ไม่รู้ว่ามันเนื้อหาเป็นยังไงความหมายยังไงนะเพ ร, ะราะยิ่งจะต้องให้มาลดมาละมาเป็นนี่อย่าไปหวังเลยอ่าหวังเวิดหังเวิด เน่าจะไปหวังซะให้ยากเลยมันไม่ได้เรื่องอะไระนะยังเหลือแต่ว่าเราจะต้องพิสูจน์สภาพพวกนี้ให้จริงเนี่ยได้พอสมควรแล้วก็จริงพราอคุณมาฟังอาตมาพูดอาตมาก็จะย้ำซ้ำๆ้ซากๆอยูอย่างนี้แหละให้ตรวจสอบว่าที่คุณมาทำปฏิบัติอย่างนี้นี่ตรวจสอบเลยคุณมีพระแต่ปีดกเนี่ยเอาโฆษณาให้มหาจุฬาด้วยไปซื้อกันมามั่งี้พระต็ปิดก ตอนนี้ก็ขายชุดละหมื่นเอง45้าเล่มโอ้โหถูกนะเล่มทั้งเท่านี้เท่านี้ใหญ่เบ้อเล่ยังเงี้ย <45 S 2> เล่มเท่านี้เท่านี้45เล่มหมื่นเดียวนี่ถูกแสนถูกนะหนังสือแบบนี้ถ้าเป็นหนังสือประโลมโลกกันเลยโอ้โหมันไม่ได้หรอกกระดาษปอนอย่างดีหนางเงี้ยไปซื้อมาไว้ตรวจสอบเลยพระแต่ปิดดก สีเล่มไม่ใช่9้าเล่มหรอก45้าเล่มสามกล่องใ ห, ใหญ่เลยหมืน่นชุดละหมืน่นชุดละหมืน่นเนี่ยพวกเราก็ซื้อกันมามีคนทำบุญซื้อทาพระเตปิดกนี่ก็หลายชุดละก็ซื้อต้องซื้อไว้ต้องเอามาศึกษาเพราะเรามีหลักของศาสนาคือพระเตปรดกเป็นหลักแม้จะแปลผู้แปลเนี่ยจะเอาความคิดเห็นตัวเองผสมไปบ้างก็เถอะแต่รากฐานมันมี ถ้ามันไม่ชอมาพาคลมันดูมันเคาะย้อนแย้งในตัวยังไงเราก็ไปตรวจสอบพระบบรีอีกทีตรวจสอบรากฐานเก่าเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าแก้พระบบรีพระบบรีมีอยู่แล้วตรวจสอบกับพระบบรีอีกทีเราตรวจสอบพระเจ้ิฎกก็ได้ตรวจสอบผู้รู้ตรวจสอบสภาวะจริงสิคนเราไม่เป็นธาตุโลกียะลาบยศสันเซโลกียะนี่มันโลกธรรมหรืลโลกียธรรม คนไม่เป็นธาตุพวกนี้มันเป็นยังไงอ่ามันไปหลงไม่ไปเป็นธาตุจะต้องเขาเอาลาบเอามาประมูลเอามนล่อเอามาเป็นเครื่องล่อในอมิตรเราก็หลงเข้าไปติดตามก็เป็นธาตุแต่นี่เขาไม่เป็นแล้วเป็นยังไงไม่เป็นธาตุยศไม่พระธาตุทรัพยริศมไม่เป็นธาตุกามกามคุณท้าหรือไม่มีอัตมานะอะไรหรือว่าลดอัตมานะลงไปได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็ตรวจสอบตัวเองเรียนรู้ภาษาความหมายเออความหมายอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราเป็ น, เ ป, นเป็นหรือเปล่าเราตรงหรือเปล่ามันได้ตามที่ว่านี่หรือเปล่าเขตรวจสอบไปอาตมาก็พยายามอมาอธิบายแต่และหัวขอ้อแต่และอุทเทศเอามาขยายความให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจ ซ้สำซากหัวข้อเดิมก็มาขยายหครั้ง8ดครั้ง10บครั้งร้อยครั้งก็อธิบายขยายความไปเรื่อยๆมุมนั้นมุมนี่เพื่อให้เข้าใจได้รอบทวนลึกซึ้งทะลุทะลวงแล้วเราก็จะได้เอาไปตรวจสอบตั้งแต่เราลองพิสูจน์ตรงไหมได้ผลผลเป็นยังไงพอได้ผลแล้วมันเป็นอารมณ์ธรรมะเป็นธรรมรถรถที่มันบรรลุธรรมมันได้ธรรมรถละได้เป็นอย่างงี้ มันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นรถรถที่จางคลายเป็นรถที่ว่างเบาเป็นรถที่ดับสนิทแล้วไม่มีแล้วมันเป็นรถอุเบกขาไม่เป็นรถทรมรถเป็นวิมุติรถเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงคุณก็ต้องไปปฏิบัติพิสูจน์จริงๆเลยอย่างเขาบอกว่าแหนตอนนี้มันขึ้นหมอ ก, ก็คือกีฬาโอ้โหนี่ซิกซโกอะไรซิกซโ ก, โกหรือซิ ฮิตตเกินเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นตัวด่นเต้นตัวดังนักเหนยโอ้โหมีชื่อมีเสียงเตะฟุตบอลตีลังกาเก่งอย่างเดียวเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วมนุษย์เนี่ยนะแมที่จึงเอาเราไปโฆษณาอย่างดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะคนมาเอาตามอย่างอาตมามันยังจะดีสั ก, กว่าไปโฆษณาตามในซิโกโ อ, อะไรนี่นะเสียทุนรอนไปโฆษณายกจองชอบชื่นชอบกันอะไร กีลาเนี่ยแต่ก่อนนี้เราก็เป็นรถดูบอลโอ้โหมันอร่อยเลยคุณรู้จักรถไหมโรกีย์รถมันคุณปฏิบัติทำไปจนกระทั่งเรียนรู้เ ข, อขอ้าคะจางคลายเป็นเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันไม่รถมันไม่เหมือนนะแม้มันจ ะ, จะไม่ถึงวิมุติอย่างสมบูรณ์ก็ตามมันไม่เหมือนเกับแต่ก่อนนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนะโอ้โหบอกว่าจะชิงเหรอมันจะแข็งแเหรอโอ้โหไม่ต้องเป็นอาธมหา ก, กินแยุ่งงานทั้งหลายแหละมาแล้วอ ดีไมด่ดีตายหน้าจอก็มีช็อกเอ็กไซ์เกินไปช็อกตายก็มีได้อะไรกันนักกันหนาเตะลูกบอลเก่งจะเอามาสร้างประเทศเหต่ลูกบอลเก่งสร้างประเทศเป็นเปิดเลยเปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยเตะฟุตบอลให้เก่งๆแล้วเอาไปสร้างประเทศเอาเลยถ้มามันแน่นะักมันจะทําให้สังคมนี้เป็นสุขดี เขาไม่รู้ว่าเขาลงทุนอะไรเขาไม่ลงทุนมาเป็นงมงายอะไรอัตมาพูดแล้วเหมือนกับเอเขขวางคองไม่ใช่ว่าอัตมาเอกเป็นหมาเห็นอังงุนเปรี้ยวเราไม่เตะไม่เก่งอย่างเขาเตะไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่อง ร, รู้ราวไม่อะไรอัตมาเคยเตะ หลักฐานรูปดีนะ ย, ยังมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานว่าอาตมายังอยู่ในกลุ่มพวกนักเตะเนี ย, ยังแต่งถ่ายรูปมันปลอมไม่ได้นะยังดีนะมันไปเอาหน้าเอาเอาเ อ, เ, อเด็กๆอย่างนั้นไม่ถ่ายไม่ได้แล้วมันปลอมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเนี้ยทำไอ้คอมพิวเตอร์ยังไงมันก็ไม่ได้แล้วนั่นนะดีว่ายังมีหลักฐานอาตมาก็เตะบอลก็เตะเป็นนักกีฬาอะไรกเขาก็เป็นรู้รถรู้ชาติมันมาเหมือนกัน แต่ก่อนนี้เราลงว่าเออมันเป็นรถอย่างนี้นะเป็นโลกี้รถเราก็เคยมีแต่เดี๋ยวนี้พอรู้แล้วมันวางนแล้วมันไม่เอามันก็ตอนนั้นมันไม่มีรถมีรถอะไรคุณเองไปตรวจสอบโดยสิ้นี้อัตมายกตัวอย่างคุณติดอย่างนี้ติดกีฬาแค่เนี้ยผู้ชายหรือผู้หญิงติดก็เยอะมันมันเป็นรถแต่พอเราปฏิบัติแล้วรถไม่มีรถมันจางคลายมันน้อยลงน้อยลงจนมันไม่มีดูมันก็เออมันก็เห็นมันเตะกันนั่นแหละ มันยังงบนอย่างนี้ก็รู้ว่าไอ้คนนี้มันเตะตรงนั้นมันเออคนนี้มันเตะเข้าโกคนนี้มันมันมามันมีโกลเม็ดเด็พายมันมีความเข้าคลองแันนี้เราก็ดูมันก็รู้เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เกิดรสชาติอะไรกับเราคุณไปตรวจสิตรวจดูตั้งแต่อับายมุกพวกนี้การละเล่นมหรสพอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้ตรวจสอบหรืออาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องเนี่ยรูปโป้ดูเปอร์ยังงนอย่างนี้อะไรก็ดูอ่านได้อ่านใจเราเลยนะ สัมผัสอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเกิดมาคุณต้องปฏิบัติพิจารณาเรียนรู้คุณจะปฏิบัติวิปัสนาภาวนาสมถภ า, าวนาอย่างไรกับมันก็ทำก็ไปกับจิตเราที่มันเกิดจริงเป็นจริงทําไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเมื่อ น, นั้นเมื่อนี้จะพบอย่างนั้อนอย่างนีนน้เรื่องที่เราจะให้ปฏิบัติธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาที่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปกระทบสัมผัสกันนั้นนี่เราก็ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงกว้างขวางมากมีทุกเวลา ไม่ใช่ไปเฉพาะจะจ้องเวลาเอาไปนั่งไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมคนพูดคํานี้ก็คือคนที่ยังไม่รู้จักมรรคองแปดไม่รู้ทางปฏิบัติอันเอกของพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมต้องทำมาหากินก็ใครไม่ทํามาหากินพวกเราก็ทำมาหากินแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะทำมาหากินนั่นแหละอยู่ในกรรมกิริยาทุกอย่างทั้งอาชีพทั้งกกรรมมันตัดวจีและ สังกัปปะนั่นแหละเพราะทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธในเมืองไทยนยีไม่เข้าใจมรรคองคแปดกันเพรา ะ, ะส่วนใหญ่กุณไปพูดทางข้างนอกนะโอ้ปฏิบัติธรรมดีนะไม่มีเวลาไปวาดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะยังไม่เข้าใจมรรคองคแปดพวกคุณก็เถอะมีเวลาปฏิบัติธรรมมั้ยยังมีแล้วแต่มันไม่เคยทันมีแล้วแต่มันไม่เคยทัน ผีมันเอาไปกินก่อนจะรู้ตัวบ่อยๆต้องพยายามไวเข้าให้มุทุพูตมุทุพูตเตไวแวลไวขึ้นให้รู้ตัวทำมีสติให้มันเป็นสติสัมปชงให้ได้มีทำมาวิจัยสัมปชงมีวิรยาาิยะภาคเปียนรู้ตัวเองเส ม, มอว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่าค่อยๆทำจิตก็จะค่อยๆมีสติค่อยตื่นค่อยรู้ค่อยปฏิบัติเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็รู้ต่อพัรษะแล้วก็รู้เขตของเรามัชฌิมาปฏิปทาว่าเราจะปฏิบัติเอาแค่นี้ก่อน ได้ขนาดนี้เราปฏิบัติแค่นี้แหละอันนี้มันมากกว่าเราเรายังไม่ไหวเอาเอาไว้ก่อนอันนี้เราก็แย่อยู่แล้วงงายต้องต่อสู้หนักหนาอยู่แล้วก็เอาขนาดนี้ไปเรื่อยๆจนได้มากได้ผลขึ้นไปเรื่อยๆค่อยเลื่อนเลื่อนอธิศีนเพิ่มศีลเพิ่มหลักปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับมันก็จะมีทางเจริญขึ้นไปตามลาดับ ๆ, ๆ, ๆไปนะก็หวังว่าชาวโศกจะเติมงานจะเติม ประชากรของชาวโสกขึ้นไปได้เพราะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นพุทธมามกะที่เป็นสาวะกะสังโคของพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษ8หรือเป็นบุรุษคู่4อ่าแล้วก็ปฏิบัติเสริมต่อไปให้จบนะเอาละอาตมาเทศมาคิดว่าขอพอในการทเทศทนี้ก่อน อำนาจใดๆก็ตามยอมถึงความที่น่าถ้าขาดท ร, รมาประจําไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กันจงอยู่ในศี